37. ธรรมะคือตัวความจริงเรารักอะไรก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแปรปลวนทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ตลอดเวลาเฝ้ารู้ลงไปจนใจยอมรับความจริงการที่ใจยอมรับความจริงเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงของร่างกายคือเป็นทุกข์ ความจริงของจิตใจคือไม่คงที่เฝ้าดูใจของเราทุกวันไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตใจเราไม่คงที่ทำงานปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่เคยหยุดนิ่งอย่าไปฝึกให้หยุดนิ่งเราต้องการสิ่งซึ่งไม่จริงเสมอเช่นร่างกายต้องแก่เราก็ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บเราก็ไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายเราก็ไม่อยากตาย จิตใจต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็อยากให้มันคงที่จิตมีสุขบ้างทุกบ้างเราก็อยากให้มันสุขถาวรเราไปอยากของที่มันเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาเมื่อมันไม่ยอมรับความจริงก็ต้องทุกข์จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เราอยากให้บังคับได้เช่นจิตใจมันต้องวิ่งไปวิ่งมาเราก็อยากให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆน้อมใจไปอยู่กับความนิ่งๆมันอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่ง ดังนั้นถ้าเราปรารถนาแต่ความสุขความสงบความดีสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่คงที่เราได้มาประเดียวเดียวก็จะเสียไปถ้าใจยอมรับความจริงจิตใจจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหยุดลงที่ความดีที่เป็นคนดีเพราะดีก็ไม่เที่ยง